มันลากอะมันติดอะใจมันยังยังยังยึดอยู่อย่างนั้นอยู่เลยเพราะฉะนั้นถ้าใจยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยถึงบอกบางคนนะโอ้โหโดนขัดขวางโดนทรมานโดนอะไรยังไงก็ตามนะก็ยังอยากอยู่อย่างนั้นอีกไม่ลดละไม่แค่แค่ชาตินี้ด้วยชาติต่อต่อไปตราบใด ก, ก็ก็ยังไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นคนที่จะอิ่มจะพอได้เนี่ยใจมันต้องเกิดวิชาเกิดความรู้แจ้งเห็นจริง เข้าใจถึงสัจธรรมจริงๆคราวนี้แหละถึงจะไม่แบบว่าถึงจะมียมะกองเนี่ยคราวนี้จะรู้แล้วว่าถ้าจะกินจะกินแค่ไหนพอดีไม่ควรกินมากอย่างไหนไม่ควรกินก็ไม่กินเอออย่างนี้ควรกินอ่ะอย่างนี้ก็กินไปนะให้มันพอดีพอเหมาะจะเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาแล้วคนนี้ก็จะกินโดยไม่ติดเวยไม่ติดจริงๆคราวนี้ นะคราเนี้ยคนที่เขาถึงบอกว่ากินแล้วรู้จักอิ่มหรือว่ารู้จักพอแต่ถ้าคนที่กินอิ่มแล้วไม่รู้จักพอนั่นแหละคือคนที่ติดแล้วก็ทุกไม่พอนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหามาบะลือนี่ต้องหามาเพราะฉะนั้นคนที่จะทุกข์มากๆเลยเพราะบางทีก็ได้บ้างบางทีไม่ได้บ้างเมื่อไม่สมใจก็จะทุกข์ตามมาตันที อันตนี้ท่านวังคีสาท่านก็ก็เนี่ยสรรเสริญรูปนั้นรูปนี้นะภิกษุอื่นท่านก็เข้าใจผิดละโดยดูเหมือนว่าไม่ใส่ใจในการปฏิบัติธรรมเลยเราภิกษุจึงพากันสนทนากันว่าท่านวังคีสานี้อาศัยปฏิพานเอาแต่พูดจาไพเราะไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนธรรมะอย่างแท้จริงคิดอย่างนั้นละ พอดูจากข้างภายนอกดูจากรูปภายนอกเนี่ยโอ้ที่ยวยอคนนั้นนะ่ะพูดง่ายแม่ยอคนนั้นชมคนนี้คุณเคยรู้สึกบ้างแม่บางทีใครมาชมเราบ่อยๆเข้าไ อ, อ้นี่มันจะหวังผลประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่าว่ามาชมเราอย่างนั้นอย่างนี้นเนี่ยเนี่ยเช่อแม่บางทีมันจะรู้สึกอย่างนั้นก็เหมือนกันไม่ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือหมู่ภิกษุก็ตามนะมาเกิดอาการอย่างนี้ท่านก็ เข้าใจผิดได้เหมือนกันท่านก็รู้สึกว่าเออไออย่างนี้สงสัยประจบและคันภาษาสดาทรงรู้เรื่องนี้แล้วจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านวังขีระบรรุธรรมแล้วครอบงำทางผิดแห่งกิเลสมาได้แล้วทำลายกิเลสเครื่องตึงใจได้หมดสิ้นแล้วปดปลดเปลื้องเครื่องผูกทั้งปวงแล้วตัณหามานทิฐิไม่อาจอิงแอบได้ นะพูดง่ายๆว่า ก, กิ่เลทที่จะเขาเดี๋ยวนี้เขาชอบเรียกอ e ีแอบเขาชอบเรียกอ e ีแอบรู้หรือเปล่าเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้เขาเรียกพวกพวกอ e ีแอบเนี่ยคือพวกไหนรู้เปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี้ยคือพวกไหนพวกกเัเธออะไรพวกกัเธอพวกพวกเกยพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้บางทีเขาก็จะเรียก นะแต่อันนี้เนี่ยสำวนคล้ายกันนะสำรวนนี่ในพระไตรปิฎกนะสำวนเนี้ยก็ปรากฏว่ากิเลสที่มันจะซ่อนเร้นเนี่ยที่มันจะแอบหลบอยู่เนี่ยแอบออแอบเนี่ยแอบแอบอิหรืออิแอบเนี่ยแหละนะมันมันจะแอบหลบอยู่ไม่ให้เรารู้ไม่ให้เราเห็นไม่มีพระอาจารย์ท่านบอกเนี่ยของพระวังกีษะนี่ไม่มีละหมดเกลี้ยง ไม่เหลืออะไรมาแอบจิตมาแอบอยู Hence, ่ในจิตอ <su 67> <Joan> ีกแล้วนั้นบอกว่าท่านกําจัดได้หมดแล้วเธอทั้งหลายจงรู้เถิดว่าวังคีสะสามารถจําแนกธทำกล่าวทำได้ทันทีโดยไม่ต้องตึกตรองไว้ก่อนไม่มีใครอื่นจะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีปฏิพานเหมือนดังวังคีสะนี่เลยพูดอย่างนี้โอ้โฮแสดงว่ายกละ พระพุทธเจ้ายกยกวังกีสาขึ้นมาแล้วว่าในหมู่ภิกษุทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ที่ที่บวชมาเนี่ยบอกถ้าใครเนี่ยเรื่องของไหวพริบปฏิภาณแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการโต้อตอบการพูดจาการกล่าวคาพูดต่างๆบอกว่าวังกีสานี่ยอดที่สุดแล้วไม่มีใครยอดเท่านี่เท่ากับยกแล้วนะยกวังกีสาว่าเป็นผู้เบเอตทัทคะคือเป็นผู้ยอดเยี่ยมพิเศษ นะคนอื่นสู้ไม่ได้เนี่ยยกให้ละยกให้เป็นผู้ยอดเยี่ยมในหมู่พิสุฟังกีระได้บอกทางไว้หลายประการเพื่อให้ข้ามห่วงน้ำคือกามเป็นต้นก็ในเมื่อวังกีระได้บอกทางอันไม่ตายไว้ให้แล้วภิกษุทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วก็ควรเป็นผู้ตั้งอยู่ในความเป็นผู้เห็นธรรมไม่ง่อนแงน่นไม่คอนแคลนในธรรม หรือผู้เจ้าก็บอกภิกษุทั้งหลายเนี่ยบอกเอาให้รู้ความจริงซะว่าภิกษุวงังคีสานี่เท่ากับว่าผูดง่าว่าเป็นพระอารหันแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่พระอารหันธรรมดานะเป็นพระอารหันที่มีความยอดเยี่ยมในเรื่องของไหวพริบปฏิภานด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะวงังคีสาพูดอะไรมาหรือว่าสอนอะไรมาเนี่ยควรที่จะฟังท่านวางัวงคีส่าวังคีสาเป็นผู้ทําแสงสว่างให้เกิดขึ้น แทงตลอดแล้วซึ่งท ร, รมัธิติท ร, รมัธิตินี่คือคือคือให้มีความมั่นคงในธรรมนะทิติแล้วทีติเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความมั่นคงสแสดงธรรมอันเลิศตามการได้อย่างฉับพลันเพราะรู้เองและทําให้แจ้งได้เองเนีย่ยเป็นเป็นความเก่งของพระวังกีสะเมื่อวังกีสะแสดงธรรมด้วยดีแล้วอย่างนี้ พวกเธอจะประมาทไปใหญ่ต่อทำของท่านผู้ผู้แจ้งแล้วเล่าจงอย่าประมาทเลยบอกพิสูน์ทั้งหลายนะบอกว่านีย่ยอดแล้วนะเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปไปคิดแก้ลบกับท่านบางกีศาเนี่ยก็ให้คิดแง่บวกซะให้รู้ว่านี่ น, นี่ท่านกล่าวอะไรมาเนี่ยควรจะเอาไปใช้เอาไปประพฤติไปไ ป, ปฏิบัติซะ ภาษาสดาทรงแต่งตั้งพระวังกีสเถระไว้ในตำแหน่งเอตทัทคะผู้เลิศ ด, ด้วยปฏิพานกว่าภิกษุทั้งปวงแล้วพระเถระมีวิชาสามรู้ไหมวิชาสามมีอะไรบ้า ง, ฮ, งฮะตายแล้วมีอะไรบ้างาข้ามไปอันนึง อันแรกอันแรกปุกเพ่ก่อนอนะวิชาสามนี่ต้องรู้ให้ได้นะพ่อท่านพูดถึงเป็นประจำเพราะั้นบางทีพ่อท่านเทศถึงวิชาสามคือคือบางทีไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายรายละเอียดเพราะนั้นอย่างน้อยเนียเน่ยเราต้องต้องรู้ให้ได้เพราะอันนี้เป็นหลักๆเลยวิชาสามนี่เป็นหลักๆเพราะต้องต้องทรงจำให้ได้ทาได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึง อย่างน้อยต้องทรงจำให้ได้ไม่อย่างนั้นจะฟังทาต่อไปไม่รู้เรื่องไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอท่านพูดเนี่ยโอ้โหยอย่างงี้ต้องไปปุกเพสสิแล้วก็อย่างนั้นอย่างงี้เราอะไรอะปุปเพอะไรเรายังไม่รู้เรื่องเลยหรือไปนึกถึงบุกเพสสันนิวาสอันนั้นมันคนละเรื่องกันนะอันนั้นมันภาษาไทยภาษาทั่วไป อ, อ่แต่อันนี้นี่เป็นภาษาพระเป็นภาษาทาง บารีอะนะเราเรียกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยวิชาเนี่ยมีสามอย่างนนหนึ่งก็คือปุเพนิวาสานุสติยานทั่วไปเขาก็แปลงง่ายๆว่าระลึกชาติได้ระลึกชาตินี่ในที่นี้พวกเราพูดกันบ่อยแล้วว่าระลึกชาติไม่จําเป็นหรอกต้องไประลึกชาตินู่นนู่น น, น, น, น, น, น, น, น, นหมายถึงว่าตายมากี่ครัง้งกี่หนแล้วนะที่จะไประลึกไกลอย่างนั้นไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไปรู้อย่างนั้นก็ได้ แต่ระลึกชาตินี้แหละระลึกให้ได้เก่งที่สุดก็คือระลึกอะไรเนี่ยตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยระลึกชาติเนี่ยชาติก็คือความเกิดตอนนี้จิตมันกำลังเกิดความคิดอะไรอยู่เช้านี้ท่านธีระท่านก็กุศลหรืออกุศลรู้หรือเปล่าว่าคิดอะไรอยู่ตอนนี้คิดเป็นกุศลหรือปั่บเป็นอกุศลเนี่ยคือการระลึกชาติ ราลึกชาติไปได้ไหมความว่าโอ้โหชาติที่แล้วสงสัยเราเกิดเป็นไอ้นุ่มมึงเป็นไอ้นี่มึงโดยเฉพาะชอบไอ้มังๆเนี่นะชอบแบบโอ้โหเป็นคนเก่งๆเป็นคนดังเป็นเป็นอะไรที่ร่ํารวยไปอะไรมาซะด้วยนะไม่ค่อยยันยึกอะโอโชาติที่แล้วจะเป็นขอทานเลยหรือชาติที่แล้วจะเป็นอะไรอะ่ะโอโตกทุกข์ ย, ยากเเลยไม่ค่อยคิดหรอกใช่ไหม ตัวใหญ่จะคิดเอาแต่ดีๆซึ่งอันนั้นมันก็ไม่จริงโดยบางทีอ่ะก็ปั้นจิตไปเองไปนึกคิดดนเดากันไปเองแล้วก็มาฝันห ว, วานๆเพราะฉะนั้นระลึกที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยยิ่งระลึกได้ในปัจจุบันเนี่ยดีที่สุดได้ยิ่งเยี่ยมที่สุดนะว่าขณะเนี้ยเรากำลังคิดอะไรอยู่หรือวินาทีที่แล้วคิดอะไรกุศลหรืออกุศลช่วงโมงที่แล้วเป็นยังไง กุศลหรืออกุศลเดินเดินมาเจอคนเขาแล้วก็พูดไปสองสามคำกุศลหรืออกุศลตะกี้เนี้ยชั่วโมงที่แล้วหรือเมื่อวานนี้อา้าวเป็นยังไงบ้างเคยทบทวนดูบ้างไหมเนี่ยเนี่ยปุบเพยก็เนี่ยทบทวนดูบ้างหรือเปล่าว่าทำอะไรไปแล้วทําชั่วหรือว่าทําดีอาตมาเคยแนะพวกเราไปบ่อยบอกลองหัดไปดูซิหัดไปลองลองพิจารณาดู จดเลยหากระดาษมาเขียนบันทึกไปเลยว่าวันเนี้ยทําดีสักกี่อย่างทําชั่วสักกี่อย่างพยายามตามกิ่ให้ทันนะจดดูแล้วจะรู้ว่าหน้าตกใจไปจดดูแล้วจะหน้าตกใจโอ้โหจะเห็นเลยว่าเราคิดเลวมากกว่าคิดดีบอกได้เลยแล้วจะตกใจมากเลยนี่ น, น, นี่แค่คิดเองนะถ้าเอาเรื่องความคิดนะยิ่งถ้าจับได้ทันถึง วจีกรรมเนี่ยถึงคําพูดบางทียังจะโอ้โหพูดไม่ดีเนี่ยมันมากกว่าพูดดีพูดไม่ดีไม่ได้หมายถึงว่าพูดไม่เพราะนะหรือว่าพูดอะไรอ่ะพูดหยาบคายพูดอะไรมันไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะพูดไม่ดีเนี่ยพูดโดยประสงค์ร้ายกับเขาพูดโดยจะไปแกล้งเขาหรือว่าจะไปยั่วเขาเนี่ยพูดสนุกสนุกก็ได้พูดเล่นเล่นก็ได้พูดอะไรนะพูดไพเราะก็ได้ ใช้ภาษาชาววังเลยพูดกับเขาอ่ะแต่จิตเราเนี่ยคิดเป็ น, นทางไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครไปสำรวจตรงนี้จะจะเห็นความจริงของตัวเองเลยว่าโอ้โหส่วนใหญ่เราเราทำเลวมากกว่าทำดีเพราะฉะนั้นที่ฝึกมาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อจะบุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยให้มันทันเพราะถ้าเราไหวทันเนี่ยเ ร, เราจะปรับจิตได้ไว มันจะไม่คิดไปในทางเรวมันจะคิดไปในทางบุญสนโดยพื้นฐานของคนเราจริงๆเนี่ยแท้ๆเนี่ยมันมาด้วยกิเลสเกิดเนี่ยก็เกิดด้วยตัณหาเกิดด้วยความทยานอยากอะไรต่างๆเกิดมาด้วยกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นเวลามันจะคิดจะพูดจะทําอะไรเนี่ยมันมกักจะไปตามอําเภอใจตัวเองซึ่งไอ้คาว่าตามอําเภอใจตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตามชอบชอบ แล้วไอ้ที่ชอบชอบเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะชอบทําดีเหรอส่วนใหญ่มันชอบทําไม่ดีกินนะเอากินตามใจตัวเองกินเยอะๆกินมากๆกินของอร่อยมีเหรอบอกว่าชอบของแม่อร่อยเออชอบจนมากกว่าชอบรวยมีเหรออืมชอบแบบว่าทาอะไรอ่ะชอบชอบเป็นลูกจ้างมากกว่าชอบเป็นเจ้านายเอ้าส่วนใหญ่มันไม่หรอกก็ ชอบที่จะได้สมใจตัวเองเพรา ะ, ะนั้นถึงบอกว่าส่วนใหญ่มันจะไปตามอํานาจกิเลสเนี่ยมากกว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีการจับจิตได้ทันเท่านั้นแหละถึงจะไม่ตกเป็นเหยื่ออํานาจกิเลสได้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยจิต เ, เคยได้ยินไหมละ่ะสำนวนนี้สมัยก่อนเราพูดกันบ่อยว่าโดยโดยจิตของคนเราเนี่ยเหมือนกับน้ํา ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานี่แหละจิต ค, คนเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะคุณเคยเห็นน้ามันไหลาจากที่ต่ําขึ้นสู่ที่สูงไหมมีไหมคุณเคยเห็นไหมไมันไม่มีหรอกถ้าโดยธรรมดานะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกนอกจากคุณไปใช้เครื่องสูบหรือคุณไปทำอะไรอะไรนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าโดยธรรมดาโดยธรรมชาติจิตคนเราไหลลงต่ํานละถ้าเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะคอยระวังจิตเรา เนะ่ยไม่ให้มันไหลลงต่ําระพุเจ้าถึงใช้คําว่าจะทวนกระแสได้เนี่ยจิตที่จะทวนกระแสนะคุณจะสามารถแทนที่จะไหลลงต่ำเนี่ยคุณจะไม่ใช่ขาลงคุณจะขาขึ้นเอสมเด็จตอนนี้เขาใช้ขาลงหรือขาขึ้นนะคุณจะเป็นขาขึ้นไม่ใช่ขาลงเนี่ยอันญวิชาสามนะก็มีเนี่ยปุเพนิบาสานุสติญาณแล้วแล้วอันที่สองก็คือจุตูตตปปาตญาณ จูตัปปาราายนี่ก็พอพูดง่ายว่าพอเรารู้กิเลสละเราจับกิเลสได้ทันเนี่ยเราก็รู้ว่าเนี่ยมันเกิดมายังไงแล้วจะดับมั็นยังไงเรารู้ว่ารู้ว่าจะว่าจะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะต้นเหตุยังไงนะแล้วก็จะดับกิเลสตัวนี้ไปได้ยังไงเนี่ยอ่าจูตูปปาราจายานเนี่ยไม่ใช่ว่าคือทั่วไปเขาจะแปลว่าไปรู้รู้จิตของคนอื่นหรือว่าไปรู้อะไรอ่ะจิตของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง แต่จริงๆหมายถึงรู้กิเลสเราเองไม่ต้องไปเที่ยวรู้กิเลสคนอื่นหรอกตัวใหญ่นะเก่งไปรู้กิเลสคนอื่นพอให้มาพูดนะโอ้โหพูดได้เก่งแล้วโอโ้กิเลสคนนั้นนะอย่างงั้นอย่างนี้นะพอกิเลสตัวเองอย่างหู ป, ปากเงียบบางทีก็ไม่อาจจะรู้อยู่นะแต่ไม่ไม่ยอมพูดอันนี้เนี่ยกระจุตูปปาตญนแล้วก็อาสวัคยาญาณอาสวัคยาญาณ น, นี่คือ ยานหรือว่าความรู้ที่เราดับกิเลสได้แล้วเรารู้ว่ากิเลสเราหมดแล้วอันนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยเราก็ปฏิบัติไปเราลดละไปใช่ไหมแต่ยังสงสัยอยู่ว่าหมดหรือว่าไม่หมดเพราะนั้นจนกว่าเราจะรู้ว่าหมดแน่แล้วชัดเจนไม่ได้หลอกตัวเองแล้วว่ากิเลสตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สิ้นเกี้ยงแน่ เดี๋ยวนี้กินมื้อเดียวได้สบายมากจริงๆไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ใช่กินได้เพราะเพราะเขาจ้างไม่ใช่กินได้เพราะขเขาบังคับให้กินก็เลยเลยจำใจต้องกินแต่ลึกแจริงๆไม่อยากกินหรอกมันมีเหตุอื่นมาทำให้ต้องกินแต่ไม่ใช่กินเพราะมีความรู้จริงมีความเข้าใจจริงว่าโอ้ที่กินมื้อเดียวมันดีอย่างนี้อย่างนี้ เนี่ยคือถ้ารู้จริงอย่างนี้แล้วปฏิบัติได้นะแล้วก็โอ้โหสบายมากเลยเดี๋ยวนี้ทําได้เนี่ยหรือว่าเลิกกินเนื้อสัตว์ได้แล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเนี่ยท่านก็บรรลุวิชาสาแล้วก็มีอภิน ญ, ญาได้แล้วคืออภิน ญ, ญานี่ก็คือความรู้อันยิ่งนะมีอิทธิวิธีก็คือเนี่ยมีฤทธิอิทธิวิธีนี่คืออิ ท, ธ, อท ธ, ธิเนี่ยอิทธิฤทธิเนี่ย มีฤทิ์ที่จะอะไรอะ่ะมีฤทิตทางใจรู้ว่าเนี่ยจะสู้กิเลสของตัวเองได้ยังไงคราวนี้ถ้าท่านบนรรลุแล้วเนี่ยท่านก็ยังจะรู้ไปด้วยซ้ำไปว่าจะช่วยคนอื่นยังไงด้วยนะมีอิทธิวิธีที่พอสดก็คือหูทิพหูทิพเนี่ยก็สามารถแยกแยะเสียงได้เสียงนี้คนนี้พูดแบบกิเลสคนนี้พูดแบบเออคนนี้พูดแบบกุศลอหูทิพมีเจโตปริยญาณ เจโตก็คือสามารถที่จะยังรู้แล้วคราวนี้มีมีมมรู้รู้จิตคนอื่นนะเจโตปริยญาณที่จะรู้จิตคนอื่นได้รู้แบบว่าอะไรรู้รู้กิเลสกิเลสตัวเองเนี่ยรู้ก่อนแล้วคราวนี้ก็จะรู้กิเลสคนอื่นได้ละเพราะกิเลสเนี่ยมันมันไม่อะไรอะไม่แตกต่างกันนักหรอกเรามียังไงคนอื่นก็มีอย่างนั้นเพียงแต่ใครปฏิบัติได้มากน้อยกับกันนะ แล้วก็มีทิพจักคุทิพจักคุก็คือมีตาทิปตาทิปก็คือสามารถที่จะแลเห็นกิเลสของเราได้เห็นกิเลสคนอื่นได้ล้วตอนนี้พระวังคีสาเทระเผากิเลสทั้งปวงแล้วหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายในโลกได้แล้วเหมือนลูกศรหลุดออกจากแร่งไปแล้วเป็นไงลูกธนูเนี่ยลูกศรเนี่ย เวลาเขายิงเนี่ยเขายิงมันหลุดออกจากคันธนูหรือออกจากแกล้งซ้อนไปแล้วเป็นยังไงพอหลุดออกไปแล้วนี่เป็นยังไงือลูกธนูนั้นน่ะลูกธนูนั้นอะคุณจะดึงกลับมาก็ไม่ได้แล้วถ้ามันหลุดออกไปแล้วหมายถึงว่ากิเลสเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราสามารถที่จะขับไล่มันออกไปแล้วเนี่ยมันมันเอาดึงมันกลับมาหรือว่ามันจะ ย้อนมาคืนไ อ, ไอ้ที่ยิงเราใหม่อีกไม่ได้แล้วมันหลุดแล้วมันก็หลุดไปเลยไม่รู้มันจะหายไปไหนแล้วคุณยิงขึ้นฟ้ามก็หายไปไหนบนฟ้าคุณยิงลงดินมก็บักดินไปคุณยิงลงน้ำมันก็วิ่งลงน้าไปแล้วมันไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้ก็เหมือนกับกิเลสตัวไหนที่เราทําไปแล้วเนี่ยถ้ามันหมดได้จริงนะหมดหมดไปจากใจคุณได้จริงใจคุณก็จะเบาสบาย ใจคุณจะไม่ต้องมาแบบว่าต้องมาทุกข์เพราะกิเลสตัวนั้นอีกอันเนี้คือมันหลุดแล้วมันหลุดเลยาศาสนาพุทธเนี่ยถ้าปฏิบัติได้หลุดแล้วหลุดเลยนอกจากมันหลุดไม่จริงนะมันหลุดไม่จริงเหมืนนึกว่ายิงไปไหนที่ไหนได้โธ่ยังคามืออยู่นี่นึกว่ายิงไปแล้วที่ไหนได้มันยังอยู่ที่อยู่ที่ไอไออะไรอ่ะไม่รู้ภูคุณเคยยิงธนูบ้างเปล่า นะเด็กๆ เ, เนี่ยบางทีพวกกัตมาเด็กผู้ชายนะมันก็ชอบเล่นเงินนะเอาธนูเอาอะไรเนี่ยทาเอาไม้มาเหลาทำเป็นธนูยิงกันเล่นบางทียิงเสร็คือมันต้องเอานิ้วไอ้อะไรนะเกี่ยวลูกศรไปด้วยนะแล้วก็อีกอีกมือหนึ่งเราก็ดึงดึงลูกธนูใส่ไอ้ไอส้สายสายธนูนะคือบางทีเนี่ยแหมง้งางอย่างดีเลยยิงปรากฏว่าไอเราจับไม่ดีไงไอ สายกับไอ้ปลายลูกศรไอ้ไอ้อะไรก็เราเรียกหัวลูกศรหรือปลายลูกศรอยูอน่นะปรากฏว่ามันหลุดละเราก็เหนียวยิงปึง้งไอ้สายเนี่ยมันปึ้งไปนะแต่ไอ้ลูกศรยังอยู่กับมือเรามันไม่ไปด้วยนั่นแหละอันนันนแสดงว่าเราเรายังฆ่ากิเลสตัวนั้นไม่ได้จริงเพราะมันยังคาอยู่เพียงแต่ว่ามันคามากหรือว่ามันคาน้อยแค่ไหน นะถ้าคนที่เรียกว่าฝึกมาดีแล้วก็ไม่ไม่หลอกตัวเองไม่หลงตัวเองกิเลสลดไปแค่ไหนเนี่ยก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าเออเราลดไปได้แค่นี้แค่นี้ละเพราะฉะนั้นนะคนนี้เนี่ยก็จะไม่มาทุกร้อนอะไรกับกิเลสตัวเองเพราะจะรู้ว่าเออมันหมดไปแค่นี้แล้วก็ยอมรับความจริงตามนี้ไอ้ที่มันยังไม่หมดก็ภาคเพียนลดต่อไปอีกก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระวังชีสะเถระ นะท่านก็พยายามปฏิบัตินะแล้วก็ลดละจนเรียกว่าสำเร็จได้จริงๆท่านก็ต้องสะสมมามากนะมันถึงได้ไวแต่พวกเราก็บางทีโอ้โหกิเลสแต่ละตัวอืดอยู่นั่นเนะี่ยนะอืดแล้วอืดอีกเอาเส้นใส่น้ำไม่นานเกินไป <c oughs> มันทองหมดเลย <c oughs> ขึ้นอืดเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยบางทีเราเองเราโอ้ต้องยอมรับความเป็นจริง แตอ่อย่ายอมรับแบบเพียงนี้ที่ว่าน้อยใจหรือว่าเศร้าโศกเสียใจให้ยอมรับในลักษณะที่ว่าเ อ, อแสดงว่าเรานี่ยังสะสมบุญบา ร, รมีมาไม่มากพอนะสะสมการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยยังน้อยเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มเพิ่มการปฏิบัติของเราเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นให้ปฏิบัติให้มากขึ้นนั้นกิเลสต่างๆมันออกไปยากใจเราได้เราก็จะยิ่งสบายใจขึ้นเราจะเห็นเลยนะ หน้าตาอาการการพูดจาการครบหากับใครกูจะเห็นสัจจะกูจะเห็นความจริงได้เลยว่าเออสบายขึ้นแต่ก่อนยังไม่ทันโดนด่าเลยแค่โดนตินิดหน่อยก็หน้ายังกระเจวักแต่เดี๋ยวนี้เออไว้ชักเก่งขึ้นละโดนตำหนิบ้างโดนอะไรบ้างชักทนได้เก่งไม่ใช่ด้านนะเป็นความอดทนได้เก่งขึ้น เออแล้วก็เดี๋ยวก็หาทางปฏิบัติหาทางแก้ไขกันไปอีกมันจะเป็นอย่างเราจะเห็นเลยว่าเออจิตใจผ่องใสได้มากขึ้นสบายขึ้นเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรก็มันมีใจที่สบายๆในการที่จะขี้คลายปัญหาจะไม่รุ่มร้อนจะไม่รู้สึกกวนกวายจะไม่โอโ้โหโหยหาอะไรเอาวร อ, อยากได้หรือว่ากลัวจะเสียอะไรเงี้ยมันจิตมันไม่เล่าร้อนอย่างนั้นจิตมันจะนุ่มนวลขึ้น ีมันจะเย็นสบายขึ้นปัญหาก็ยังมีอยู่แต่มันจะแก้ไม่เหมือนเก่าก่อนเลยนะอันเนี้ยถ้าใครปฏิบัติได้นะ้วมันจะมีผลออกมาปรากฏให้เห็นจริงๆไม่มีอย่างอื่นด้วยผลจะต้องปรากฏอย่างนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณยิ่งทำได้มากคุณจะเห็นเลยว่าเออเราสบายมากขึ้นจริงๆเราทำได้น้อยเราก็สบายน้อยมันดีกับเก่าแต่ว่า ใครทําได้น้อยเนี่ยมันก็เตื้องนิดหน่อยมันยังรู้สึกไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่การกินอยู่หลับนอนนี่แหละจะเห็นชัดยังไม่ต้องไปพูดถึงบุคคลอื่นนะแค่การกินอยู่หลับนอนการอะไรอ่ะทํางานการใส่เสื้อผ้าการใช้จ่ายอะไรต่างๆคุณปฏิบัติเนี่ยแค่ศีลห้าแค่ศีลแปดอะไรพวกนี้คุณปฏิบัติคุณเห็นผลทันทีเลยมรรคผลมันจะออกมาให้เห็นชัดเลย เราจะรู้เลยว่าโอ้โหสบายกับเก่าจริงๆไม่เหมือนแต่ก่อนเลยเดี๋ยวนี้ใจเย็นขึ้นสบายขึ้นแต่ก่อนถ้าให้มันอย่างนี้นะโอ้โหทุกตายเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหร้อนขนาดนี้เออพอทนได้หนาวขนาดนี้เออพอทนไหวจมันจะเป็นสัจจะเลยนะพะนั่นก็ฝากตรงนี้ไว้ก็หวังว่าพวกเรานะไปเห็นมรรคผลของตัวเองให้ได้เพราะคนที่เห็นมรรคผลของตัวเองจะมีไฟ หรือจะมีพลังในการที่อยากปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเพราะยิ่งปฏิบัติแล้วยิ่งสบายขึ้นจริงๆมไม่ต้องรอให้ใครอะไรนะมาติดแอร์ให้เราถึงจะเย็นได้ไม่ต้องเลยนะอันนี้เย็นเองอะวันนี้ก็คงฝากไว้เช่นนี้